เพราะว่สาสัธรรมลำดับที่หนึ่งศัจจ์ศัจจคือความจริงใจที่ว่าความจริงใจในที่นี้หมายถึงความจริงใจที่มีอยู่ในใจเรียกย่อๆว่าความจริงใจพูดอย่างภาษ า, ษาธรรมะว่าศัจจ์บางทีผมใช้คำว่าศัจธาต์หมายถึงจิตใจที่มีธาตุแห่งความจริงไม้ในแผ่นดินนี้มีอยู่สองชนิดคือไม้เนื้อแข็งใช้การได้ทนทานถาวร อ, อย่างเช่นไม้สัก ไม้ต่เคียนไม้เต็งไม้ประดูเป็นต้นเขาเรียกว่าไม้จริงส่วนไม้อีกพวกหนึ่งเป็นไม้เนื้อเบาอย่างพวกไม้ไผ่ไม้ทองหลางไม้ํำฉาไม่งิ้วพวกนี้ไม่เรียกว่าไม้จริงอย่างเช่นชาวบ้านเขาสนทนากันว่าโรงนาที่จะปลูกน่ะจะใช้ไม้อะไรอีกคนบอกว่าคิดว่าจะใช้เสาไม้จริงแต่เครื่องบนเอาไม้ไผ่ที่ว่าไม้จริงน่ะคือหมายถึงไม้เนื้อแข็งมีลักษณะทนทาน ถ้าเราจะเลือกไม้ปลูกบ้านลักษณะอันแรกที่เราจะต้องคิดถึงก็คือว่าจะต้องใช้ไม้จริงเลือกคนเอาเป็นคู่ครองเป็นพ่อบ้านแม่เรือนก็เหมือนกันคุณลักษณะอันแรกที่สุดก็คือความเป็นคนจริงมีความจริงเป็นพื้นของจิตใจหรือมีธาตุแห่งความจริงอยู่ในใจซึ่งเราพูดย่อๆว่าความจริงใจสัจจะแปลกันมาว่าความสัตย์หรือความซื่อสัตย์เรื่องนี้เป็นคุณธรรมทางใจ ดูยากอยู่ปฏิบัติก็ยากหากไม่กำหนดขอบเขตไว้ดูกันในเชิงปฏิบัติแล้วคนมีสัจจะย่อมแสดงคุณลักษณะออกมาให้รู้สามอย่างคือเป็นความจริงเป็นความตรงเป็นความแท้จำไว้ง่ายๆว่าสัจจะคือความจริงตรงแท้สามลักษณะรวมอยู่ในจิตใจของคนคนเดียวจริงที่ว่าจริงก็คือจริงจริง จริงตรงกันข้ามกับเล่นถ้าเล่นก็ไม่ใช่จริงถ้าจริงแล้วก็ไม่ใช่เล่นท่านผู้ฟังคงจะเคยดูลิเกรหรือที่เรียกให้ทันสมัยหน่อยว่านาตาดนตรีคนที่เขาเล่นลิเกนั้นเขาเป็นนั่นเป็นนี่แต่เป็นไม่จริงตั้งแต่เปิดฉากแล้วมีแขกแต่งตัวรุ่มร่ามออกมาเขาบอกว่าเขาเป็นแขกฉานก็อินเดียสปีมา ไม่จริงตัวแกก็ไม่ใช่แขกจริงๆแล้วก็ไม่ได้มาจากอินเดียแต่ว่าเล่นเป็นแขกเสร็จแล้วตัวพระฟอนแอนออกมาบอกเราว่าข้าพเจ้ามีนามกรอว่าชัยยเชษไม่จริงชื่อเขาจริงๆก็ไม่ได้ว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าเขาครอบครองเมืองโน้นเมืองนี้ก็ไม่จริงความจริงแกเป็นชาวบ้านข้างวัดนี่เองเขาบอกว่าเวลานี้ ให้รู้สึกกลัดกลุ่มใจเป็นกําลังถ้าโน้นท่านี้ไม่จริงทั้งนั้นพ่อกําลังได้สตางแสนจะสบายใจเสียด้วยซ้ําเรื่องในลิกเกนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเป็นแต่เขาเล่นเล่นเป็นพระเจ้าแผ่นดินเล่นเป็นทหารเล่นเป็นตํารวจเล่นรักกันเล่นรบกันเขาก็บอกว่าเขาเล่นลิกเกเขาไม่ได้บอกว่าเขาทําลิกเกแต่คนดูสีร้าย บางคนไปดูเขาเล่นรบกันเล่นฆ่ากันตัวเลยร้องห้าจริงๆคราวนี้ลองเอาพวกลิเกมาเทียบกับตัวเราดูต่างกันไหมพวกเราเนี่ยเป็นผัวกันจริงๆเป็นเมียกันจริงๆเป็นลูกกันจริงๆเป็นพ่อแม่จริงๆสิทธิ์จริงครูจริงทหารจริงตำรวจจริงทำอะไรก็เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เล่นๆอย่างเวลานี้ท่านฟังปาถกถาก็ฟังจริงๆ ผมแสดงก็แสดงจริงๆไม่ใช่เล่นปาถักกะถากันบท น, นี้ท่านผู้ฟังเทียบกันได้แล้วว่าจริงกับเล่นต่างกันอย่างไรและไหนจะดีกว่ากันไม่ต้องนึกถึงใจคนอื่นปรึกษาใจท่านเองก็รู้ว่าท่านเองชอบอย่างไหนในระหว่างคนรักสองคนคนหนึ่งมาวอนว่าขอให้คุณเห็นใจผมเธอที่ผมรักคุณคราวนี้ผมรักเล่นๆกับอีกคนวอนว่า เห็นใจผมเถอะคุณผมรักคุณจริงๆแล้วคุณควรจะรับรักของใครในระหว่างเพื่อนสองคนคนหนึ่งเป็นเพื่อนจริงๆกับอีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนเล่นๆท่านจะเลือกคบใครระหว่างพระสองรูปรูปหนึ่งบอกว่าอาตมาบวชเล่นๆกับอีกรูปหนึ่งบอกว่าอาตมาตั้งใจบวชจริงๆท่านจะเลื่อมใสพระรูปไหนแน่นอนทุกท่านจะต้องตอบตรงกันก็คือ ต้องการคนจริงภาษามนุษย์ย่อมมีภาษาเดียวเมื่อท่านรักคนจริงคนอื่นเขาก็รักคนจริงเมื่อท่านอยากให้คนอื่นจริงกับท่านคนอื่นก็อยากให้ท่านจริงกับเขาด้วยเหมือนกันภาษาใจของมนุษย์ที่ตรงกันนี่แหละคือมนุษยธรรมธรรมระหว่างมนุษย์ความจริงที่ว่านี้ถ้าเป็นเรื่องสมยอมกับคนอื่นเรียกว่าตกลงถ้าเป็นเรื่องตั้งใจจริงในหน้าที่การงานเรียกว่า ปรงใจแต่ถ้าชายหนุ่มกับหญิงสาวยินยอมพร้อมใจจะเป็นคู่ครองของกันมักจะใช้ควบกันทั้งสองคำว่าตกลงปรงใจก็เห็นจะหมายความว่าตกลงที่จะแต่งงานกันและปร่งใจที่จะทาหน้าที่สามีภรรยานั่นเองความจริงเป็นลักษณะอันหนึ่งของสัจจะตรงที่ว่าตรงคืออย่างไรถ้ามีใครถามเราว่าตรงคืออย่างไร เราก็ตอบได้ว่าที่ว่าตรงคือมันไม่คดเพราะว่าถ้ามันคดมันก็ไม่ตรงผู้เท่านี้ก็ได้ความแล้วเรื่องตรงเรื่องคตทีนี้คิดถึงคุณภาพตรงกับคดอย่างไหนดีกว่ากันคิดถึงไม้ก่อนไม้คดกับไม้ตรงไหนจะราคาดีไหนจะมีคนนิยมมากสมมติว่าท่านจะเป็นพ่อค้าตั้งร้านขายไม้ท่านจะรวบรวมไม้คดมาไว้ขายหรือหาไม้ตรงมาไว้ขาย ซ้ำอีกนิดหนึ่งถ้าท่านจะปลูกบ้านละ่ะจะไปหาเลือกซื้อไม้คดมาปลูกหรือหาไม้ตรงมาปลูกเท่านี้ก็สิ้นเรื่องได้คําตอบตรงกันหมดคนทั้งหลายเขานิยมไม้ตรงกันทั้งนั้นดูแต่ไม้ที่จะเอามาสร้างโรงประชุมก็แล้วกันท่านเห็นไหมเขาเลือกเอาแต่ไม้ตรงมาทําเพราะไม้ตรงเอาทําอะไรมันสนิทดีเรียบร้อยตรงกับตรงมันเข้ากันได้ ไม่ว่าไม้ป่าไหนหรือไม้เมืองไหนไม้ต้องนัดกันไว้ขอให้ตรงมาก็แล้วกันเข้ากันได้สนิทเองไม้เชียงใหม่เอามาแตะกับไม้กรุงเทพก็เข้ากันได้ปั๊บถ้าเป็นไม้ตรงแต่ถ้ามันเป็นไม้โคตแม้ไม้ต้นเดียวกันตัดลงมาเทียบกันดูก็เข้ากันไม่ได้ให้มีอันเก้งก้างไปหมดเพราะมันโคตคนเราก็เหมือนกันถึงแม้จะเป็นพี่น้องร่วมท้องร่วมไส้คลานตามกันออกมา ถ้าลงได้คดเสียแล้วก็เข้ากันไม่สนิทเหมือนกับไม้คดนั่นแหละท่านธรรมดาไม้คดใช้งานอะไรก็ไม่เรียบร้อยชาวบ้านเขาจึงไม่นิยมใช้แม้แต่จะเก็บเอาไว้เฉยๆก็หาที่เก็บยากสอดเข้ารวมกองนี้ก็ทำให้กองนี้รวนเกะ ก, กะชักจากกองนี้สอดเข้ากองนูน้นก็ไปทาให้ไม้กองนู้นเกะ ก, กะอีกบรรทุกรถก็เกะ ก, กะรถ บรรทุกเรือก็เกะ ก, กะเรือโยนกันไปโยนกันมาหาที่ใช้ก็ไม่เหมาะหาที่เก็บก็ไม่ได้ผลที่สุดเรืออยู่ทางเดียวคือยัดเข้าเตาไฟแต่ก็นั่นแหละแม้เผาเป็นฐานแล้วเจ้าฐานไม้คดก็ตักยากตวงยากจะบรรทุกรถบรรทุกเรือก็กินที่ระวางหนักเข้าก็เป็นช่องทางให้คนขายโกงคนซื้อเกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมาง ก, กันต่อไปอีกไปกันใหญ่ ลงได้คดแล้วมันเอาเรื่องจริงๆเผาเป็นฐานแล้วก็ยังไม่หายุ่งจะได้อีกทีก็เผาซ้ำให้กลายเป็นขี้เท่าไปเลยถึงจะเสร็จเรื่องคนเราก็เถอะลงได้คดแล้วหาเป็นดินอยู่ยากเข้าทำงานอยู่เมืองนี้ก็เข้ากับชาเมืองเขาไม่สนิทและทำให้งานเขารวนเพราะตัวคตผู้บังคับบัญชาเขาก็ไม่เอาไว้คืนเอาไว้ก็เสียย้ายไปเมืองโ น, น้นทางเมืองโน้นเขารู้ว่าคต เขาก็ไม่เล่นด้วยย้ายต่อไปเมืองอื่นอีกผลที่สุดก็อย่างว่านั่นแหละไม่มีที่จะใช้ในราชการเขาก็เลิกใช้ออกไปหากินเป็นราษฎรชาวบ้านความคดก็ยังไม่หายอยู่ตำบลไหนก็ทําให้ชาวบ้านตำบล น, นั้นเดือดร้อนเขาก็ไล่ส่งจากตำบล น, นี้ไปตำบล น, นั้นจากตำบล น, นั้นไปตำบลอื่นๆต่อไปผลที่สุดตารวจก็ไปเก็บเอาตัวไปจนได้เขาเอาไปไหนละ่ะ โน่นเอาไปให้ผู้พิพากษาดูผู้พิพากษาท่านเป็นนักดูคนแล้วก็สั่งให้แก้ไขตามน้อยตามมากถ้าคดนิดๆหน่อยๆพอดัดได้ก็สั่งให้ส่งเข้าโรงดัดคดน้อยก็สเดือนคดมากก็หกเดือนหรือปีหนึ่งถึงสิปี20ปีก็มีบางคนต้องอยู่ในโรงดัดจนตายถ้าใครคดในข้องอในกระดูกจริงๆท่านดูทุกแง่ทุกเหลี่ยม แล้วเห็นว่าไม่มีทางจะดัดได้ก็ถูกสั่งให้ส่งเข้าเตาหายจ้อยไปเลยนี่แหละชะตาของคนคดไม่ผิดอะไรกับไม้คดแต่ถ้าพูดกันที่บุญที่บาผมคิดว่าไม้คดยังดีกว่าคนคดเพราะไม้คดยังมีที่ใช้อยู่บ้างเอาทอําแอดทําไถก็พอได้ทําเป็นขอเล็กขอน้อยสําหรับแขวนหมวกแขวนเสื้อก็อยังได้แต่คนคดสิ ท่านเอ๋ยไม่รู้จะเอาไปทําอะไรมันไม่มีที่ใช้จริงๆไม่ใช่แกล้งว่าหรือแกล้งปลักปลามกันท่านผู้ใดได้ร่ำเรียนมามากเคยเห็นมีตำราไหนบ้างที่สอนให้ใช้คนคดทาหน้าที่อะไรผมเองก็ไม่เคยพบเคยได้ทราบแต่ว่าแม้ในวงพวกโจรมันก็ฆ่าโจรที่คิดคดต่อพวกเดียวกันหรือจะลองเอาคนคดมายืนไว้ตามมุมห้องสาหรับแขวนหมวกแขวนเสือ้อ อย่างไม้คดดูบ้างถ้ามันแย่อย่างดีก็คงเหลือตัวจำนำคืนให้เรานึกไม่ออกจริงๆว่าจะหางานอะไรให้คนคดทำแม้แต่งานเข็นรถขนขยะก็เข้าใจว่าเทศบาลคงไม่รับสมัครประเดี๋ยวขยะก็ไม่ขนแล้วยังแถมหายไปทั้งรถทั้งคนเสียด้วยเพราะฉะนั้นผมจึงขอเสนอว่าใครจะเป็นอะไรก็ตามให้เป็นตรงดีกว่าคดเป็นนายเขาก็ให้เป็นนายตรงๆง เป็นลูกน้องก็เป็นให้ตรงตรงเป็นผัวตรงตรงเป็นเมียตรงๆงเป็นมิตรตรงตรงใครจะเป็นอะไรก็ให้ตรงไว้เถอะสบายจริงๆถ้าเราตรงแล้วแม้ใครยังช่วยเราไม่ได้เขาก็สงสารนึกหาทางช่วยเหมือนคนนั่งรถผ่านป่าเจอไม้ต้นไหนตรงๆก็มองด้วยความพอใจนึกหาทางว่าจะเอาไปทำอะไรให้มันมีค่ามากขึ้นทั้งๆที่ต้นไม้ มันก็ไม่ได้วิ่งบอลให้ช่วยเหลือเลยแต่ความตรงของมันได้เข้าไปบังคับจิตใจมนุษย์ให้คิดช่วยไปเองคราวนี้ที่ว่าตรงหรือคดนั้นดูกันตรงไหนนึกถึงไม้ก่อนธรรมเนียมดูไม้จะให้รู้ว่าคดหรือตรงมีที่ดูสามแห่งคือดูที่โคนที่กลางและที่ปลายถ้าโคนกลางปลายสามระยะนี้ตรงกันได้ระดับเดียวกันอยู่ตรงกันก็เป็นไม้ตรง ถ้าคนอยู่ตรงนี้กลางเฉยไปทางนั้นแล้วปลายเอ็นไปเสียอีกทางหนึ่งก็เรียกว่าหมายคดนี่ตำราดูไม้ดูคนก็คล้ายๆกับดูไม้คือมีที่ดูสามแห่งดูที่ความคิดคำพูดและการกระทาถ้าคิดอย่างนี้พูดก็อย่างนี้เวลาทำจริงก็อย่างนี้นี่คนตรงถ้าคิดอย่างหนึ่งพูดไปเสียอีกอย่างหนึ่งก็เป็นคนคดยกตัวอย่างเช่น มีใครคนหนึ่งมาขอยืมสตางค์เราใช้ในใจเขาคิดว่าถ้ายืมได้แล้ว6เดือนจึงจะใช้แต่เวลามาออกปากกับเราเขาบอกว่าเดือนเดียวเท่านั้นจะใช้คืนแน่ๆแต่ครั้นให้ยืมไปจริงตั้งปีแล้วก็ยังไม่ใช้นี่แหละที่ว่าใจปากกายไม่ตรงกันใจว่า6เดือนปากว่าหนึ่งเดือนทำจริงไปอีกอย่างนี่ขนคดหรือจะดูง่าย ดูทางคดก็ได้ทางคดนั้นเรามักจะมองไม่เห็นต้นเห็นปลายเพราะมันคดเคี้ยวจึงมองไม่ทะลุโปร่รงกลายเป็นทางลึกลับทั้งหน้าทั้งหลังคนที่เป็นคู่ผัวตัวเมียกันก็เหมือนกันถ้าตรงแล้วก็เห็นชัดถ้าเป็นคนเปิดเผยต่อกันมีสารทุกข์สุขดิบอะไรบอกให้กันรู้ถ้าแต่และฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบำเพ็ญตนเป็นคนมีเรื่องลึกลับ ไม่บอกกล่าวกันให้รู้หัวนอนปลายตีนกลับบ้านห้าทุ่มสองยาเมีเยถามว่าไปไหนมาก็ตอบคำเดียวว่าเปล่าถ้าลงรูปนี้แล้วสันนิฐานไว้ก่อนว่าชักจะเริ่มคดแล้วคนอยู่ด้วยกันยิ่งใกล้กันยิ่งเห็นตัวกันชัดอย่างผมกับท่านผู้ฟังเนี่ยแต่ถ้าท่านกับผมชักมองเห็นตัวกันเลือนลางเข้าเพ่งสายตาเท่าไรเท่าไรก็มองเห็นไม่ชัดนั่นแสดงว่า ไม่ท่านก็ผมกำลังเดินห่างกันออกและไม่ช้าก็ห่างกันไปจริงๆผัวเมียก็เหมือนกันถ้าฝ่ายใดบําเพ็นตัวเป็นคนลึกลับไปเที่ยวกินที่ไหนนอนที่ไหนอีกฝ่ายไม่รู้เรื่องถามอะไรก็ตอบอ้อมแอมไม่เต็มปากเต็มคำนั่นแสดงว่าฝ่ายนั้นกำลังกระเถิบห่างออกไปแล้วและไม่ช้าก็จะหายลับไปจริงๆแท้ที่ว่าแท้คือไม่เก๊ไม่เทียมไม่ปลอม หมายความว่าแ ท, แท้ธรรมดาของแท้ย่อมใช้การได้ดีสมกับที่มันเป็นเป็นเข็มก็เย็บผ้าได้เป็นมีดพราก็ฟันได้เป็นเงินก็ใช้ซื้อของได้นี่ลักษณะของแท้ถ้าของสิ่งใดใช้การไม่ได้สมกับที่มันเป็นเรียกว่าเก๋หรือเทียมอย่างดาบตามธรรมดาชาวบ้านเขาทำเขาเอาเหล็กตีเป็นแผ่นบางๆแล้วลับให้มีคมนี่ดาบแท้ เรามีดาบแท้ถือเดินไปไหนไปไหนคนก็เกรงกลัวไม่กล้ามารังแกถึงจะเก็บไว้ในบ้านจนผู้ร้ายก็เกรงใจถ้ามีศัตรูมาราวีก็ชักออกฟันได้จริงจริงเพราะดาบเรามันแท้แต่ดาบริกเกมันไม่แท้มันเก๋เขาเอาไม้มาถักบางๆทํารูปเหมือนกับดาบแท้แล้วทาสีขาวเขาก็เรียกว่าดาบเหมือนกันแต่ว่าทั้งๆที่มันเป็นดาบนั่นแหละ มันก็ใช้การไม่ได้เหมือนดาบแท้ถือไปไหนไปไหนก็ไม่มีใครกลัวถ้าไปเจอศัตรูเข้าเขาจะเล่นงานจริงๆพ่อดาบเก๋ก็วิ่งหนีจะกล้าสู้กับใครถึงจะเก็บไว้ในบ้านสักร้อยเล่มขโมยจะเกรงใจสักนิดก็เปล่าถ้าไม่เก็บไว้จะเอาออกขายดูบ้างดาบอย่างว่าก็หาคนซื้อยากเต็มทีจะพอใช้ได้บ้างก็แต่รบกับพวกเดียวกันนั่นแหละ3วันสามคืนก็ไม่มีใครตาย วกมหาเรื่องคนคนเราก็มีแท้มีเก๋เหมือนกันคนที่มีสัจจะเป็นอะไรก็เป็นแท้คือทํางานได้จริงสมกับที่ตนเป็นฆราวาสก็ทํามาหากินตั้งหลักแหล่งได้จริงเป็นพระเป็นสงฆ์ก็ปฏิบัติศีกขาวินัยได้สมเป็นพระเป็นทหารรบทัพจับศึกได้สมเป็นทหารเป็นตํารวจก็ปราบปรามโจรผู้ร้ายได้สมเป็นตํารวจและอื่นๆคิดต่อเอาเองก็แล้วกัน ใครเป็นอะไรก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับที่ตนเป็นเช่นเป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นครูเป็นสิทธ์และเป็นอื่นอื่นสารพัดเป็นเมื่อเป็นแล้วก็ต้องทาหน้าที่นั้นให้ได้สมกับที่ตนเป็นเรียกว่าเป็นแท้ซึ่งเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของสัจจะในบรรดาของสองอย่างคือธนบัตรแท้กับธนบัตรเก๊ทองแท้กับทองเกมิดแท้กับมิรเทียมสิ่งเหล่านี้ ท่านเองชอบอย่างไหนชอบอย่างแท้หรือชอบอย่างเกยอย่างเทียมถ้าถามอย่างนี้เชื่อว่าทุกคนจะต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดคือชอบฝ่ายของแท้เมื่อท่านชอบของแท้ก็โปรดทราบว่าคนอื่นๆเขาก็ชอบแท้เหมือนกับท่านการที่คนเราชอบของแท้คนแท้ก็เพราะว่าของแท้คนแท้ย่อมมีประสิทธิภาพเต็มตัวอํานวยผลประโยชน์แก่เราเต็มที่ ตรงกันข้ามของเก๋คนเก๋ออำนวยประโยชน์ไม่ได้หรือได้ก็ไม่เต็มที่โดยเฉพาะคนเก๋มีแต่อยากเป็นโน่นเป็นนี่กับเขาแต่ครั้นได้เป็นเข้าจริงก็ทํางานไม่ได้สมกับที่เป็นเมื่อทําไม่ได้ก็ต้องเสียงานก็เสียคนก็เสียเพราะฉะนั้นผู้บําเพ็ญสัจจต้องพยายามปฏิบัติงานให้ได้สมกับที่ตนเป็นถ้าทําไม่ได้ก็อย่าเป็นไปหาเป็นที่เราทําได้ ดีกว่าจะได้ไม่เป็นของเก๊ข้อสังเกตคุณลักษณะของครูครองที่มีความแท้อยู่ในตัวคือ 1. ทำหน้าที่ของพ่อบ้านแม่เรือนสม่ำเสมอไม่ปละที่ยากบากหน้าไปหาแต่ที่ง่ายทำตัวเหมือนมีแท้ขวานแท้คงทนสม่ำเสมอ 2. ใจคอเที่ยงแท้ไม่กลับกลายแม้จะถูกความทุกข์ยากทางครอบครัวแผดเผาก็ร่วมทุกข์ แม้จะถูกเทพธิดานอกบ้านขับรายั่วใจก็ไม่หวั่นไหวเริงหลงรักแท้ที่หนุ่มสาวใฝ่ฝันกันนักหนามีอยู่ในคนจำนวนเดียวเท่านั้นคือคนที่มีสัจจะในใจเลือกคนที่มีสัจจะเป็นคู่ครองแล้วคุณจะได้รักแท้เองสัจจะกับคนดีสัจจะนั้นไม่อยู่ในใจผู้ใดย่อมช่วยให้ผู้นั้นบรรลุความสำเร็จเร็วเข้า เหมือนคนเดินทางที่ตั้งจุดหมายปลายทางไว้แน่นอนแล้วเดินตรงไปย่อมได้ระยะทางไกลกว่าคนที่เดินเปะปะไม่มีจุดหมายแต่การไปได้ไกลของคนมีสัจจะนั้นแล้วแต่ว่าเขาจะตั้งสัจจะลงในทางไหนถ้าตั้งสัจจะว่าจะเป็นนักเลงสุราเขาก็จะกลายเป็นจอมสุราบานที่หาคู่เพรพยากถ้าตั้งสัจจะว่าจะเป็นโจรเขาก็จะกลายเป็นจอมโจรที่ร้ายกาศในทางดี ถ้าตั้งสัจจะในการเรียนการทำงานและในการประพฤติดีอื่นๆเขาก็จะก้าวหน้าไปในทางนั้นได้เร็วอย่างประหลาดเพราะฉะนั้นพระจึงกำหนดลักษณะบังคับไว้ว่าสจเจอัทเทจะทำเมจะอาหุสั้นโตปฏิธิตาคนดีย่อมดำรงในสัจจะที่เป็นอัตเป็นธรรมหมายความว่าคนดีย่อมตั้งอยู่ในสัจจะประเภทเดียวเท่านั้นคือประเภทที่ได้ประโยชน์และชอบธรรม การพิจารณาพระพุทธภาษิตข้างบนนี้ทำให้เราได้ความรู้หลายชั้นคือ 1. รู้ว่าคนไม่ดีก็ตั้งอยู่ในสัจจะได้เหมือนกันเพราะในที่นี้ท่านแยกออกกล่าวเฉพาะคนดีว่าต้องตั้งอยู่ในสัจจะอย่างนี้ 2. รู้ว่าสัจจะนั้นที่ไม่มีประโยชน์ก็มีไม่ชอบทำก็มีที่มีเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีเพราะในที่นี้ท่านยกแสดงชนิดที่มีอัถ ในวงเล็บประโยชน์และมีธรรมะในวงเล็บความชอบความควรไว้สามรู้ว่าคนดีในวงเล็บสันโตแล้วต้องตั้งอยู่ในสัจจะที่ประกอบด้วยประโยชน์และชอบธรรมส่วนคนชั่วในวงเล็บอสันโตก็ต้องตั้งอยู่ในสัจจะที่ตรงกันข้ามคือไร้ประโยชน์และผิดธรรม พิจารณาบทกลับดังกล่าวนี้สัจจะก็มีลักษณะแตกต่างกันถึงสี่อย่างคือกเป็นประโยชน์และเป็นธรรมขอเป็นประโยชน์แต่ไม่เป็นธรรมคไม่เป็นประโยชน์และไม่เป็นธรรมงไม่เป็นประโยชน์แต่เป็นธรรมสำหรับหมายกขอคพอจะหาตัวอย่างได้ไม่สู้ยากนักสัจจะที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมก็เช่น ตั้งใจทำมาหากินโดยชอบรมที่เป็นประโยชน์แต่ไม่ชอบรมเช่นปักใจปล้นเขาขโมยเขาซึ่งได้ประโยชน์แต่ผิดธรรมที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งไม่เป็นธรรมเช่นตั้งใจแน่วแน่ว่าจะเป็นนักเร่งสุลา3ข้อนี้พอจะนึกหาตัวอย่างได้แต่ข้องอหาตัวอย่างยากจริงๆเพราะเคยรู้แต่ว่าถ้ากรรมใดลงได้ไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ผิดธรรมด้วย ที่ว่าไม่เป็นประโยชน์แต่เป็นธรรมนั้นดูไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนึกเห็นอยู่แง่หนึ่งคือคนที่ตั้งใจทํางานที่สุจริตแต่ทําไม่ต้องด้วยกาละเทสะแม้จะไม่เบียดเบียนใครซึ่งเรียกว่าไม่ผิดธรรมแต่ผู้ทําก็ไม่ได้ประโยชน์อันใดเนื่อเรียกว่าหาทางจะยกตัวอย่างให้ได้เพราะถ้าจะว่ากันให้เด็ดขาดลงไปแล้วคนทํางานผิดกาละเทสะก็เพราะความโง่ครอบงา ซึ่งเป็นอันผิดธรรมอยู่นั่นเองขอฝากท่านผู้ฟังไว้พิจารณาต่อไปด้วยช่างเถอะคิดมากยุ่งมากและดูจะเป็นการหาทางผ่อนผันลงมาหาตัวเสียด้วยเราจำเอาง่ายๆแต่เพียงว่าสัจจะที่พระพุทธเจ้าสันเสริญต้องประกอบด้วยประโยชน์และชอบธรรมเท่านั้นผิดจากที่ว่านี้แล้วไม่ดีใช้ไม่ได้เรื่องสัจจะยังมีทางที่จะอธิบายพิสดารต่อไปอีก แต่ถ้าแยกแยะออกไปมากก็จะทำให้ท่านผู้ฟังยุ่งมากเลยหาต้นหาปลายไม่พบเข้าทำนองนักปราติดความรู้เป็นภัยเกีการปฏิบัติจึงยุติไว้เท่านี้ก่อนความผิดอุกชกันว่าถึงความจำเป็นผู้ครองเรือนทุกคนย่อมต้องการสัจจะด้วยกันทั้งนั้นเสียอยู่นิดเดียวตรงที่ว่าในหวางคู่ครองนั้นแต่ละคนก็อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งซื่อสัตย์ต่อตน แต่ตนเองชอบละเมิดสัจจะพูดง่ายๆคือชอบรับแต่ไม่ชอบให้ปมยุ่งมันก็เกิดขึ้นตรงนี้ในการครองเรือนถึงจะจนทรับขาดเงินขาดทองขาดข้าวขาดของขาดโน่นนิดขาดนี่หน่อยก็ไม่ถึงกับทำให้บ้านแตกแสระรขาดพูดง่ายๆคือยังเป็นครอบเป็นครัวอยู่กินด้วยกันได้แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งถ้าไม่มีในครอบครัวใดแล้วครอบครัวนั้นจะตั้งอยู่ต่อไปไม่ได้เลย สิ่งนั้นคือสัจจะซึ่งถือเอาความง่ายๆว่าความซื่อสัตย์ต่อกันสัจจะเป็นสมบัติที่มีค่าสูงสุดสำหรับชีวิตสมรสตั้งแต่ในปราสาทราชวังจนกระทั่งในกระท่อมยาจบในเรื่องการเสียสัตว์นั้นผมลองสังเกตมามากแล้วรู้สึกว่าเราจะเสียสัตว์ในเรื่องอะไรๆก็ไม่ร้ายแรงเท่าเสียสัตว์ในความรักพูดกันตรงๆคือ นอกใจหรือมีเมียน้อยเป็นความผิดสถานหนักของผู้ชายความผิดฐานใช้เงินเปลืองฐานกินเหล้าเก่งฐานขโมยเงินเมียใช้และความผิดอื่นๆคุณผู้หญิงมักจะตัดสินยกฟ้องให้ทั้งนั้นในเมื่อจำเลยรับสารภาพโดยดีมีความผิดอยู่มาตราเดียวเท่านั้นคือการมีเมียน้อยที่ไม่มีบทอภัยโทษเลยนี่เหตุการณ์ทั่วไปผมเห็นมาอย่างนี้ และถ้ามีเมียน้อยแล้วดูยุ่งตลอดโศกจริงๆออกจากบ้านเช้าผิดปกติว่าจะเรียบไปทํางานสักหน่อยงานค้างมากเขาก็ว่าแน่ละสิเช้าก็ต้องไปกราบเท้าเสียก่อนเย็นกลับเข้าบ้านผิดปกติเพราะงานด่วนๆมีมากเขาก็ว่าแน่ละสิเย็นก็ต้องไปกราบทูลเสียก่อนบอกว่ากับข้าวไม่ค่อยมีรถเขาก็ว่าอ๋อแน่ละสิ มันสู้บ้านโน้นเขาไม่ได้ตกลงว่าลองใครได้ผิดมาตราเดียวนั้นแล้วแย่ yeah. ไม่มีทางทำความดีความชอบได้อีกแล้วชั้นที่สุดซื้อขนมมาฝากห่อสักเท่าเข่งเมืองจีนเขาก็ยังระแวงว่าที่ซื้อไปบ้านโน้นคงจะห่อใหญ่กว่านี้นี่แหละคนชะตาเสียทำความดีไม่ขึ้นที่ว่านี้ฟังดูก็คล้ายๆผู้หญิงเป็นคนใจร้ายมากเห็นแก่ตัวเสียจริงๆ ถ้าเอาจิตใจของผู้ชายไปเทียบดูแล้วข้าพเจ้าคิดว่าความเห็นแก่ตัวของผู้ชายมีลักษณะเข้มข้นกว่าลองนึกดูสิถ้าฝ่ายหญิงเกิดมีผัวน้อยขึ้นบ้างเราจะว่าอย่างไรมีโลกแตกหรือนี่ดีว่าฝ่ายหญิงเขายังมีน้ำใจกว้างขวางและเป็นคนขี้สงสารเหตุการณ์จึงยังพอแก้ไขมาได้ที่ว่านี้ผมก็ว่าด้วยใจเป็นกลางไม่ใช่เพราะกลัวเมียดุหรือกลัวแฟนหญิงจะกโกรธ หาไม่ได้และโปรดทราบในทางตรงกันข้ามด้วยความผิดอุชกัรของผู้หญิงก็คือการมีชู้นอกใจผัวหรือแม้แต่ไปทำลับลับล่อๆกับผู้ชายอื่นคราว า, วาสธรรมลำดับที่สองธมะคุณลักษณะของพ่อบ้านแม่เรือนลำดับที่สองคือธรมะธรมะข้อนี้หมายถึงความเป็นผู้รู้จักปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นหรือพูดไทยปนฝรั่งว่ารู้จักฟอร์มตัวให้เหมาะสม คนเรามีอยู่สองประเภทคือประเภทหนึ่งไม่ยอมปรับปรุงตัวเองให้เหมาะกับเหตุการณ์ยืนกรานทิฏฐิมานะของตนเองเข้าใจว่าการทำเช่นนั้นเป็นความดีเป็นความโกเก๋ท่านเองก็คงเคยพบเห็นบางคนคุยอวดคนรักเสียด้วยผมน่ะหรือที่จะยอมใครเป็นไม่มีเสียละผมมันเป็นคนชอบเที่ยวอยู่ที่บ้านคุณพ่อถึงกับคาดโทษจะไล่ออกจากบ้านผมก็ไม่แคร กลับตีหนึ่งตีสองแทบทุกวันไม่มีใครเปิดประตูให้ผมปีเลยตอนเข้าเป็นทหารก็เหมือนกันทั้ ง, ท, งที่ผู้กองโกรธขันนักไม่ให้เที่ยวกลางคืนผมกลัวก็ดีตบตาในสิบเวรมานักแล้วผู้กองสั่นหัวเลยแล้วตอนไปบวชเป็นพระก็อีกนั่นแหละพระอื่นกลัวสมภารหอจะออกไปนอกวัดต้องไปลาแล้วลงชื่อในสมุดด้วยผมนะหรือผมจะออกเมื่อไหร่ก็ได้ เดินเฉียดไหลกบสมพานตอนจะออกประตูวัดยางเคยถ้าคู่รักเป็นคนมีความคิดตื้นก็ฟังเพลินยิ้มแล้วยิ้มอีกเก่งจังทุนหัวของน้องแต่ถ้าคนมีความคิดพอได้ยินโมอย่างนี้เขาอ่านทะลวงเข้าไปถึงสันดานของคนโมได้เลยมันไม่ใช่ความเก่งอะไรแต่นั่นคือนิสัยไม่ดีของเขาเขาบอกให้รู้ว่าเขาเป็นคนที่ขาดการปรับปรุงตัวเองฟอมตัวไม่เป็นแล้วยังเข้าใจผิดคิดว่า การไม่ปรับปรุงตัวเองนั้นเป็นความโกเก๋คนนิสัยอย่างนี้เมื่อเป็นโสดเคยเที่ยวหามรุ่งหามค่ำถึงแต่งงานแล้วก็อดสุขสนไม่ได้เคยจ่ายเงินมือเติบถึงคราวรายได้ตกต่ำก็จบไม่ลงเคยทำอะไรตามอําเภอใจถึงอยู่ครองสองใจร่วมชีวิตด้วยกันแล้วก็มีแต่จะดันทุรังตามใจตัวและมันจะดีอย่างไรคุณหลงชมคนผิดบ้างหรือเปล่า คนที่ไม่ยอมปรับปรุงตัวเองเลยก็ไม่ผิดอะไรกับซากศพที่ปราศจากวิญญาณแข็งกระด้างไม่เป็นท่าคุณคิดหรือว่าที่คุณแต่งงานกับคนที่ตายแล้วคุณจะมีความสุขคนที่ไม่ยอมปรับปรุงนิสัยใจคอของตัวเองนี่แหละคือคนขาดคุณธรรมข้อธรรมะธรรมะนั้นเป็นคุณธรรมประเภทสกิจใจให้คนมีการปรับปรุงตัวให้เหมาะสมอยู่เสมอไม่ยังโสดเป็นเอตตทักคะในทางเที่ยว แต่งงานแล้วก็เปลี่ยนนิสัยเป็นคนรู้อยู่ห่วงบ้านห่วงเรือนเมื่อยามครองโสดรับผิดชอบชีวิตเดียวก็ถือใจตัวเป็นใหญ่แต่ครองเรือนแล้วต้องรู้จักอดออมเอาบ้างไม่ใช่ตามใจตัวผู้หญิงที่น่าเกลียดคือหญิงตามใจตัวผู้ชายที่น่ากลัวคือชายที่ไม่เกรงใจคนอื่นคนที่มีแก่ใจฟอร์มตัวเองอย่างดีนั้นจะต้องเป็นคนมีคุณธรรมข้อธรรมนี้ ลักษณะของธรรมะที่พูดมาแล้วยังคลุงเคลืออยู่ไม่พอที่จะปฏิบัติและตรวจสอบตัวเองได้จึงขอแยกอาการธรรมะให้เห็นชัดๆอีกธรรมะนั้นเมื่อเกิดอยู่ในใจผู้ใดแล้วจะทำให้ผู้นั้นมีคุณลักษณะสามอย่างคือรู้จักฝึกรู้จักหยุดรู้จักข่มความฝึกหมายความว่ารู้จักฝึกอบรมตัวเองคือฝึกตัวฝึกใจปรับปรุงให้เหมาะสม การฝึกตัวเองนั้นความมุ่งหมายก็มีสองอย่างคือ 1. ทําทำให้เหมาะสมและ 2. ทํทำให้สามารถ 1. ทําทำให้เหมาะสมหมายความว่าทำตัวให้เหมาะสมกับฐานะของตนเช่นเคยมั่งมีเคยสุขสำรวยเที่ยวกินข้าวตามเหลาสุบรีนอกแต่เมื่อฐานะรายได้ตกต่ำลงหรือมีภาระผูกพันทางอื่นมากขึ้นเช่นมีอาการเจ็บไข้ขึ้นในบ้านหรือมีลูกมากขึ้น จะจ่ายฟุ้งเฟอ้ออย่างเดิมไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงระบบความเป็นอยู่ลงหุงข้าวต้มแกงกินเองเคยสุบรินอกก็เปลี่ยนเป็นสุบริไทยอันใดพอลดลดอันใดพอเลิกเลิกเอาไวบุญมาวัสนาส่งได้นั่งเมืองอีกค่อยว่ากันใหม่นี่ฟอร์มตัวให้เหมาะสมแทนที่จะหากู้เงินคนอื่นมาซื้อเหล้ากินให้คงเดิมก็เปลี่ยนเป็นแก้ใจเราเองให้มันเหมาะกับกระเป๋าเรา 2. ทํทำให้สามารถหมายความว่าฝึกตัวให้สามารถทำงานโปรดทราบว่าโลกที่เราอยู่นี้มันมีงานประจำอยู่ก่อนแล้วเช่นงานทำนางานทำสวนงานช่างไม้งานช่งงาชงเหล็กและงานอื่นๆอีกมากทีนี้เราเกิดมาในลักษณะที่เป็นคนทำงานไม่เป็นอะไรทั้งสิน้นการที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกทั้งๆ ท, ที่ทำอะไรไม่เป็นอันตรายแก่ตัวเอง และเป็นภัยต่อสังคมอย่างยิ่งเพราะคนที่ทำอะไรไม่เป็นเลยนั้นจะทำได้ดีที่สุดอยู่อย่างหนึง่งคือทำความลำบากแก่คนอื่นที่ว่าฝึกก็คือฝึกตัวเองให้เหมาะกับงานพูดง่ายๆคือหัดทำให้เป็นตามธรรมดาอวัยวะร่างกายของคนเราโดยธรรมชาติดั้งเดิมจริงๆเป็นเพียงวัตถุดิบซึ่งพอเราจะสามารถฝึกหัดดัดแปลงได้ตามต้องการมือสิบนิ้วที่เรามีกันอยู่นี้ สามารถฝึกหัดให้ทำงานได้หลายอย่างถ้าเราขยันฝึกแต่ถ้าไม่ฝึกก็ทำอะไรไม่เป็นชั้นที่สุดเพียงแต่จะกินข้าวไม่ให้หกเลอะเทอะก็ทำไม่ได้เรื่องนี้เห็นเห็นกันอยู่แล้วไม่ต้องพูดมากสงวนเวลาไว้สำหรับประเด็นอื่นดีกว่า